เจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจคุณสม ท, ทุกทุกท่าน <c oughs> วันนี้เป็นวันจันทร์ที่16พุทศภาคงพุทธศักราช2554 <c oughs> เป็นวันหยุดราชการเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่า เพื่ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลเพราะถือว่าเป็นการเป็นกําไรของชีวิตทุกครั้งที่เราได้บําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลเรียกว่าเราได้กําไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบำเพ็ญบุญกุศลตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนกับทางด่วนที่จะพาให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับการเดินทางในป่าเหมือนกับสมัยโบราณที่จะต้องเดินไป กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางได้ก็ต้องใช้เวลาอันยาวนานแต่เวลาที่เราได้มาเกิดได้มาพบกับพุทธศาสนาจึงเป็นเหมือนกับว่าเราได้เดินทางบนทางด่วนมีรถยนต์ที่จะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว นี่คือความแตกต่างระหว่างการมีพระพุทธศาสนาและการไม่มีพระพุทธศาสนาและการที่เรามีชีวิตอยู่นี้จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งและควรจะรีบตักตวงโอกาสนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเวลาของเรานี้ จะมีเหลืออยู่มากน้อยเพียงไรเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับบุญกรรมและเหตุปัจจัยอื่นๆที่เราเกี่ยวข้องอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราไปแต่ละวันพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้เราตั้งอยู่ในความประมาท ให้เราเระลึกถึงความตายอยู่เสมอเพื่อที่เราจะได้ไม่มีข้ออ้างมีข้ อ, อมีเหตุผลที่จะไม่มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลแต่ถ้าเราคิดว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะ ต้องรีบบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลกันทุกเวลานาทีที่เรามีโอกาสมีเวลาว่างอย่างวันนี้ก็เป็นวันหยุดไม่ต้องไปทำงานทำการเราจึงใช้เวลาว่างนี้มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลกันเพื่อที่จะได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง อย่างรวดเร็วก่อนที่เวลาของเราจะหมดไปเพราะถ้าเราตายไปจากโลกนี้แล้วกลับมาเกิดใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกหรือไม่เพราะการเกิดของพระพุทธศาสนาในแต่ละครั้งนี้ก็ต้องใช้เวลาอันยาวนานกลัมาเกิดคราวหน้า ก็อาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่ได้เดินทางบนทางด่วนก็จะต้องเดินเดินทางในป่าเดินด้วยเท้าโอกาสที่จะถึงจุดหมายปลายทางก็จะยากและชา้าแต่ตอนนี้โอกาสที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานคือการสิ้นสุด แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเป็นโอกาสเป็นการกระทำที่ง่ายมากเพียงแต่ขอให้เรามีวิริยะคือความภาคเพียรที่จะบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอย่างไม่ทอ ด, ท, อดท้อแท้ด้วยความอดทนถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ภายในทบนี้ชาตินี้เลยอย่างที่มีผู้ที่ได้บังเพนกันมาแล้วในสมัยพระพุทธการและในสมัยปัจจุบันปรากฏเป็นพระอริยสงสาวเป็นพระสังฆรัตนะเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนท่านทั้งหลายเหล่านี้ท่านตั้ง ท่านไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทท่านพยายามระลึกถึงความตายอยู่เสมอพยายามเจริญมรณานุสติอยู่เสมอเมื่อรู้ว่าความตายนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะไปกำหนดได้ท่านจึงหาเวลามาปฏิบัติเคยมีอาชีพอะไรต่างๆ ก็เราลาออกจากอาชีพเหล่านั้นแล้วก็ออกบวชเพื่อที่จะได้บงเพ็ญการปฏิบัติบุญกุศลได้อย่างเต็มที่ท่านเหล่านี้ใช้เวลาทุกเวลานาทีของชีวิตอย่างอย่างเต็มที่ไม่ปล่อยให้เวลาสูญเปล่าไปตามที่พระพุทธเจ้าทรง สอนให้ใช้กันคือสงสอนให้เดินจงกรมนั่งสมาธิตลอดเวลายกเว้นเวลาที่จะต้องไปทำภารกิจอื่นๆเช่สงสงสนทรงกำหนดว่าตั้งแต่เวลาหโมงเยยนถึงสี่ทุ่มให้เดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิพอถึงเวลาสี่ทุ่มถึงตีสอง ก็ทรงสอนให้พักหลับนอนให้นอนในท่าสีห์สัยญาตนอนตะเคีนขวาข้างด้านขวาแล้วก็ให้เจริญบทภาวนาวไปจนหลับพอตื่นขึ้นมารู้สึกตัวก็ให้รีบลุกขึ้นเลยไม่ให้นอนต่อแล้วก็ให้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิจากตีสอง ไปถึงสว่างคือหกโมงเช้าพอสว่างแล้วก็ให้ออกไปโปรดสัตว์ไปบินทบาสในขณะที่บินทบาทก็ให้มีสติอยู่กับการบินทบาทหรือจะไข้ควรพิจารณาธรรมที่กำลังกาลั ง, จงเจริญอยู่ก็ได้เช่นถ้ากำลังเจริญมรณ า, านุสสติก็ให้พิจารณา ถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายทั้งของตนเองและของผู้อื่นพิจารณาไปในขณะที่ทํากิจต่างๆถ้าพิจารณาไม่ได้ก็ให้มีสติอยู่กับกิจภารกิจที่กําลังทํำอยู่กําลังเดินเบญทบาศก็ให้รู้ว่ากําลังเดินกําลังเปิดฟ้าบากรับบาศ ก็ให้รู้ว่ากำลังเปิดฝาบาตเวลาปิดฝาบาตก็รู้ว่าปิดฝาบาตก็จะไม่มีเสียงไม่มีการทำให้ฝาบาตนี้กระทบกับบาตไม่ทำให้ฝาบาตนี้หลุดจากมือไปนี่เป็นการเจริญสติเพื่อที่จะได้มาใช้ในการนั่งสมาธิจเจริญปัญญาต่อไป กลับจากบินทบาก็ให้กลับมาฉันที่ศาลาร่วมกันมีอะไรที่ได้มาก็ให้เอามาแบ่งปันกันแล้วก็ฉันกันด้วยด้วยการมีสติไม่คุยกันไม่ส่งเสียงดังให้มีสติรู้อยู่กับหน้าที่การงานของตนกำลังฉันก็ให้ให้รู้อยู่กับการฉัน ฉันเสร็จแล้วไปล้างบาทก็ให้มีสติอยู่การล้างบาเช็ดบาแล้วก็ช่วยกันเก็บกวาดถูสาลาปิดหน้าต่างปิดไฟต่างๆแล้วก็เดินกับไปที่พักทุกขณะที่ทำนี้ทรงสอนให้มีสติอยู่เสมอให้สำรวมกายวาจาใจไม่ให้คุยกันถ้าไม่มีความจำเป็น พราคุยกันแล้วจะทำให้เผลิดสติได้นั่นเองพอกลับถึงที่พักก็ให้บําเพ็ญเพียรต่อให้เดินจงกรมสลบับกับการนั่งสมาธิ <c oughs> จนถึงเวลาประมาณเที่ยงวันก็ถ้าต้องการจะพักก็พักสักชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นบ่ายโมงไปก็ให้ออกมาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อ จนถึงเวลาปัดกวาดสมงนม้มดื่ม น, ามน้าปานะในขณะที่ปัดกวาดส่งน้ำดื่ม น, ามน้าปานะก็ให้มีสติอยู่กับกิจที่กำลังทมอยู่ไม่ให้สมจิตไปที่อื่นหรือให้พิจารณาธรรมที่ได้พิจารณาอยู่ให้พิจารณาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมา ในการพิจารณาเรื้องต้นนี้ยังเป็นสัญญาอยู่เพราะว่ายังไม่ได้อยู่กับใจตลอดเวลาเวลาไม่ได้พิจารณาก็จะลืมพอพิจารณาก็จะไม่ลืมแต่ถ้าพิจารณาไปได้เรื่อยจนไม่ลืมอยู่กับใจอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นปัญญาพอเป็นปัญญาแล้วเวลาเกิดกิเลส ข, ขึ้นมา ก็จะสามารถดับกิเลสได้ทันทีเช่นเกิดความกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายถ้ามีปัญญาอยู่ตลอดเวลาในใจก็จะดับความกลัวนี้ได้ทันทีเพราะปัญญาจะสอนใจให้ยอมรับความจริงว่าไม่มีไม่มีทางที่จะหนีจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้ เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเป็นสมุทยัยเป็นเป็นสัจธรรมเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจคือทุกข์กษัตริย์แต่ถ้ามีปัญญาคอยมาห้ามใจให้ให้ใจยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้ยังไงยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจคู่ที่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 และสมาธิพอมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาใจก็จะมีกำลังที่จะละสมุทยัยคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้พอละได้ความกลัวก็คือความทุกข์ก็จะหายไปใจก็จะตั้งอยู่ในความสงบไม่หวั่นไหวกับความแก่ความเจ็บความตาย ของร่างกายนี่คือการใช้เวลาของพระที่เรียกว่าพระสุ ป, ปฏิปันโนทั้งหลายท่านใช้เวลาอย่างนี้ท่านปฏิบัติ ด, ดีคือใช้เวลาทุกเวลานาทีให้เกิดประโยชน์คือใช้ทุกเวลานาทีในการบำเพ็ญเพียร ยกเว้นเวลาที่ต้องพักหลับนอนเท่านั้นแม้ขณะที่ทำภารกิจอย่างอื่นก็ยังบำเพ็ญเพียรอยู่ได้ด้วยการเจริญสติหรือด้วยการพิจารณาธรรมจะพิจารณาสิ่งต่างๆที่กำลังทำอยู่ก็ได้ว่าสิ่งต่างๆที่ทำอยู่นี้มันก็ไม่เทีย่ยมทำไปแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วก็ต้องกลับมาทาใหม่ เช่นอาบน้ำอาบน้ำอาบท่าอาน้ำเสร็จปนันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องกลับมาอาบใหม่เพราะร่างกายนี้เป็นอสุภะเป็นปฏิกูลร่างกายนี้มีแต่เสิ่งสกปรกขับถ่ายออกมาอยู่ตลอดเวลาพอถึงเวลาก็ต้องชำนีการชำระร่างกายนี่คือการใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ ไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทให้ใช้เจริญสติใช้เจริญปัญญาหรือให้ใช้ในการเจริญสมาธิสลับกันไปทำทั้งสมส่วนนี้มีความจําเป็นต่อมรรคผลนิพพานและต้องทําสลับกันไปจึงมีการเดินจงกรมแล้วก็มีการนั่งสมาธิเวลาเดินจงกรมก็พิจารณาทำ ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกายก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีหรือรูปเสียงกลิ่นรสก็ดีให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีมามีไปถ้าไปยึดไปติดก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจควบคุมบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตา พิจารณาอย่างนี้ไปได้เรื่อยตอนต้นก็จะเป็นสัญญาไปก่อนคือจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างเวลาจำได้ถ้าเกิดดีกิเลกในตอนนั้นก็จะดับก็จะระ ง, งับได้แต่เวลาที่เผลอไม่ได้คิดถึงอันนี้จำทุกขังอนัตตาก็จะเกิดความหลงขึ้นมาได้เกิดความอยากขึ้นมาได้ โดยความยึดติดขึ้นมาได้ก็จะเกิดความทุกข์ความกังวลใจขึ้นมาได้แต่เวลาใดถ้ามีปัญญาคอยประกบกับความความรู้สึกนึกคิดของใจอยู่ตลอดเวลาเวลานั้นก็จะไม่มีความทุกข์ใจาะจะปล่อยวางได้เพราะจะเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เน่เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วความสงบของจิตก็จะมีเพิ่มมากขึ้นความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจความวิตกกังวลความวุ่นวายใจต่าง ๆ, ๆก็จะเบาบางลงไปเรื่อยๆและหมดไปได้ในที่สุดขึ้นอยู่ที่กำลังของสติสมาธิและปัญญานี้ ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาเต็มร้อยก็จะสามารถดับความทุกข์ทุกชนิดได้หมดสิ้นไปถ้ายังไม่เต็มร้อยก็ยังจะดับได้ไม่หมดก็ยังจาเป็นจะต้องบำเพ็ญต่อไปต้องเจริญสติสมาธิและปัญญาต่อไปด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไปและ สลับกับการทำภารกิจต่างๆและการพักผ่อนหลับนอนการพักผ่อนหลับนอนนี้แม้จะรู้สึกว่าไม่ได้ประโยชน์ในทางปฏิบัติแต่ก็จำเป็นเพราะมันได้ประโยชน์ให้แก่ร่างกายที่เป็นเครื่องมือของการปฏิบัติถ้าไม่ได้หลับนอนพักผ่อนร่างกายก็จะไม่มีกําลังที่จะปฏิบัติภารกิจต่างๆ ไม่มีกำลังที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิดังนั้นการหลับนอนนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นแต่ขอให้มันพอประมาณเท่านั้นก็คือประมาณสี่ชั่วโมงในตอนกลางคืนคือประมาณตั้งแต่สี่ทุ่มไปถึงปีสองส่วนกลางวันถ้าอยากจะพักก็พักสักชั่วโมงหนึ่งเพื่อที่ร่างกายจะได้ มีกําลังที่จะได้ออกมาปฏิบัติต่อไปและการปฏิบัติระหว่างสมาธิและปัญญาก็ต้องพอพอสมมิมีความส ม, มดุลกันคือถ้าปฏิบัติแต่สมาธิอย่างเดียวไม่เจริญปัญญาเลยก็จะเรียกว่าติดสมาธิติดสมาธินี้ก็จะไม่สามารถทำลายกิเลสได้ ก็คิดสมาธินี่เป็นเหมือนหินทับหญ้าเวลาหินทับหญ้าไว้หญ้าก็จะไม่งอกงามขึ้นมาแต่เวลายกหินออกจากหญ้าไปไม่นานหญ้าก็จะงอกขึ้นมาใหม่สมาธิก็เป็นเหมือนหินที่กดกิเลสเอาไว้เวลาอยู่ในสมาธิกิเลสทำงานไม่ได้ความโลภความโกรธ ความหลงทำ ง, งานไม่ได้ความอยากต่างๆทำ ง, งานไม่ได้ตอนนั้นก็เป็นเหมือนนิพพานแต่เป็นนิพพานชั่วคราวเพราะว่ากิเลสยังไม่ได้ตายเพียงแต่ถูกกดเอาไว้ถ้าอยากจะให้กิเลสนี้ตายอย่างราบคาก็ต้องใช้ปัญญาดังนั้นเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วจึงควร พิจารณาปัญญาพิจารณาตั้งในสิ่งต่างๆที่ใจไปเกี่ยวข้องและไปทุกข์ด้วย mm hmm. เช่นถ้ายังทุกข์กับเรื่องราบยศสรรเสริญเรื่องความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย mm hmm. ก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าเป็นทุกข์เนี่ยเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันมันไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมบังคับของใคร เช่นถ้าเราทุกกับเรื่องเงินทองเราก็ต้องพิจารณาว่าเงินทองนี้มันไม่เป็นคุณกับเรามันเป็นโทษกับเรามากกว่าถ้าเราไม่จําเป็นเราอย่าไปเอาศัยเงินทองมาเป็นเครื่องมือซื้อความสุขให้กับเราเราเพียงแต่มีเงินทองพอกับการดูแลอัตภาพร่างกายก็พอแล้ว แต่อย่าไปอยากมีเงินทองมากๆเพราะคิดว่ามีมากแล้วจะมีความสุขความจริงแล้วมันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์เพราะเวลามีแล้วก็จะเกิดความหวงเกิดความหวงเกิดความตะนหนีเกิดความโลภอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าเราพิจารณาเห็นว่าราภยศเสริญสุขเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากจะได้ราภยศเสริญสุขเรามีสิ่งที่ดีกว่านั้นอยู่ภายในใจของเราก็คือการปล่อยวางความสงบที่เกิดจากการปล่อยวางนี่คือการพิจารณาด้วยปัญญาเราพิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้ เราก็ปล่อยวางพอเราปล่อยวางเราก็ไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราบยศสรรเสริญสุดเอกต่อไปเวลาถึงเวลาเลือกตั้งก็ไม่ต้องกังวลกับการไปหาเสียงไปลงไปลงสมัครเป็นผู้แทนเพื่อที่จะไปรับตําแหน่งต่างๆเพราะเรารู้ว่ามันเป็นความทุกข์สู้อยู่เฉยๆไม่ได้ดูคนที่เขา อยากได้ให้เขาวิ่งกันเหมือนกับสุนัขถูงน้ำร้อนเรามีปัญญาเราไม่อยากได้เพราะเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์เราไม่อยากจะเป็นเหมือนสุนัขถูกน้าร้อนเราอยากจะนั่งอยู่เฉยๆสบายกว่านี่คืออำนาจของปัญญาถ้าพิจารณาเห็นเป็นไตรลักษณ์แล้วก็จะปล่อยวางจะตัดจะละความอยากจะไม่อยากได้อะไร ถ้าอยากจะอยู่เฉยๆนี่คือการเจริญปัญญาและหลังจากที่เราพิจารณาไปสักระยะหนึ่งถ้าใจรู้สึกไม่สงบแล้วไม่เป็นเหตุเป็นผลแล้วการพิจารณาเริ่มมีอารมณ์ต่างๆเข้ามารบกวนใจหรือเผลอไปคิดเรื่องอื่นก็ควรที่จะหยุดการพิจารณา ถ้าเดินชมกลงอยู่ก็ให้หยุดเดินแล้วก็กลับมานั่งสมาธิใหม่มาทำจิตใจให้สงบให้นิ่งเพื่อเป็นการตัดกำลังของกิเลสที่จะมารบกวนการพิจารณาของเรานะั้นพอน้างได้พอสงบได้เต็มที่แล้วจิตถอนออกมาก็ค่อยจเจริญปัญญาต่อ นี่คือการปฏิบัติที่ที่ครบวงจรคือต้องมีทั้งสติมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาถึงจะเป็นมรรคครบองค์ที่จะได้ทำให้กิเลสนั้นตายได้ต้องเกิดจากการปฏิบัติทั้งสติทั้งสมาธิาธและปัญญา สลับกันไปตามวาระถึงเวลาวาระที่จะต้องนั่งถึงเวลา ว, วาระที่จะต้องเข้าสมาธิก็ควรจะเข้าไปถึงเวลาที่จะพิจารณาทางปัญญาก็ต้องพิจารณาไปทำอย่างนี้ต่อไปปัญญาก็จะฝังอยู่ในใจและก็จะอยู่ในใจไปตลอด พออยู่ในใจไปตลอดแล้วก็เป็นเหมือนอาวุธที่เราจะสามารถใช้ในการทำลายทำลายศัตรูของเราได้นั่นเองพอมีเกเลศโผล่ขึ้นมาปับ๊บปัญญาก็จะตัด ท, ทันทีจนไม่มีเกเลศหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเรามีความภาคเพียน มีความไม่ประมาทคือใช้เวลาทุกเวลานาทีของชีวิตเราให้กับการปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงรับรองไว้เลยว่าถ้าสามารถปฏิบัติแบบนี้ได้จะไม่เกินเจดปีเป็นอย่างมากและถ้าเป็นผู้ที่มีความฉลาดมากก็จะสามารถ สำเร็จได้ภายในเจ็ดวันนี่คือเหตุที่จะทําให้ได้เกิดผลอันประเสริฐขึ้นมาไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระธรรมคําสอนไม่ได้อยู่ที่พระอริยสงสาวกแต่อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ถ้าปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติเต็มที่ ปฏิบัติชอบก็คือปฏิบัติถูกต้องตามหลักพระธรรมคำสอนเช่นเจริญสติสมาธิและปัญญาไม่ใช่เจริญแต่สติอย่างเดียวหรือเจริญแต่สมาธิอย่างเดียวหรือเจริญแต่ปัญญาอย่างเดียวอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นสามีจิปฏิบัติชอบปฏิบัติชอบนี้ต้องปฏิบัติทั้งสติทั้งสมาธิ และปัญญาดังนั้นถ้ามีใครสอนว่าไม่ต้องนั่งสมาธินี่แสดงว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วถ้าบอกว่าไม่ต้องเจริญปัญญาเดี๋ยวปัญญาจะเกิดขึ้นเองเช่นเวลาได้สมาธิแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาเองอย่างนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันความเห็นผิด เพราะว่าปัญญาไม่เกิดจากสมาธิสมาธิเป็นผู้สนับสนุนให้ปัญญาได้พิจารณาอย่างสะดวกสบายไม่มีกิเลสตัณหามาคอยรบกวนถ้าไม่มีสมาธิจะพิจารณาปัญญาไปอย่างต่อเนื่องไม่ได้พิจารณาได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กิเลสก็มาชวนให้ไปพิจารณาเรื่องอื่นแล้ว แต่ถ้ามีสมาธิและออกพอออกจากสมาธิมากิเลสจะไม่มีกำลังตอนนั้นเราก็สามารถเจริญปัญญาได้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในเรื่องของราบยศสรดเสริญในเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกมืนกายคือรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะ พิจารณาขันห้าคือกายเวทนาสัญญาสัมขานวิญญาณได้และพิจารณาจิตคืออารมณ์ที่มีอยู่ภายในจิตได้นี่คือสิ่งที่ปัญญาจะต้องพิจารณาเพราะเป็นสิ่งที่จิตไปหลงติดอยู่ไปคิดว่าเป็นสุขไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรา ปัญญาต้องมาแก้ความหลงเหล่านี้ให้หมดไปด้วยการพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องสลับกับการทำสมาธิจนไม่หลงลืมทุกครั้งที่เห็นอะไรสัมผัสกับอะไรก็จะรู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราและก็จะปล่อยวางตลอดเวลาจะไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆ จิตก็จะอยู่อย่างสงบไม่มีความทุกข์ไม่สะทกสะท้านกับการเกิดกับการดับของสิ่งต่างๆเพราะมีปัญญาคอยป้องกันไม่ให้ไปหลงอยากให้สิ่งต่างๆอยู่ไปนานๆนั่นเองนี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่เรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจิต สุปฏิปโนก็คือปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติอย่างเต็มที่ทุกเวลานาทีอูชุก็คือปฏิบัติตรงปฏิบัติตรงต่อมรรคผลนิพพานคือไม่คดไม่แวะไปหาอย่างอื่นไม่ปฏิบัติเพื่อลาบยศไม่แวะไปทำภารกิจอย่างอื่นไม่ไปสร้างโบไม่ไปสร้างเจดีไม่ไปทอดภ้ปาป่า แต่มุ่งไปที่มรรคผลนิพพานด้วยการปฏิบัติเดินจกรมนั่งสมาธิปริกวิเวกเรียกว่าปฏิบัติตรงไม่แวะไม่แวะไปทําอย่างอื่นปยายะก็คือปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกขโดยถ่ายเดียวการปฏิบัติอันใดที่ไม่ได้ทํำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกจะไม่ไปทํา จะทำแต่กิจที่จะทําให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นไม่ปฏิบัติเพื่อลาบยศต่างๆไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้คนยกย่องสรรเสริญเยนยอให้ตําแหน่งให้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนอย่างนี้ไม่ได้เป็นยายะยายะนี้ต้องการการดับทุกข์เท่านั้นที่เป็นรางวัลของการปฏิบัติสามีจิก็คือปฏิบัติชอบ ปฏิบัติที่ถูกต้องถูกตั้งตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาก็จะปฏิบัติตามไม่มีข้อยกเว้นนี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าปฏิบัติได้ดังนี้แล้ว สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองไว้คือผลก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและมีผู้ที่ได้ปฏิบัติอย่างนี้มาและได้รับผลมาแล้วจึงไม่ควรที่จะลังเลสงสัยควรจะทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จของเราให้กับการบำเพ็ญบุญกุศลนี้ให้อย่างเต็มที่แล้วชีวิตของเรานี้จะไม่เป็นชีวิตที่สูญเปล่า แต่เป็นชีวิตที่ได้กําไรเพราะเราจะได้รางวัลอันประเสริฐที่มนุษย์ทุกๆคนปรารถนาอยากจะได้กันจึงขอฝากเรื่องของการใช้เวลาว่างที่เช่นวันนี้นี้ให้มาบําเพ็ญบาเพ็ญกุศลบุญกุศลกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเป็น สิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตจิตใจของเรายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหลายในโลกนี้นั่นเองการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุวันนักสุขภพละโดยทั่วหน้าการเธอ